ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บพระสูตรที่49สุภสูตรสูตรว่าด้วยสุภาพมานพุตธโตเทยพระรามพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนาวรามสมัยนั้นสุภาพมานพุตธโตเทยพระรามมีธุระบางอย่างไปพักในกรุงสาวัตถีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนาวราม จึงไปเฝ้าทูลถามว่าพวกรามกล่าวว่าเครืหัดจึงได้บรรลุญายธรรมหมายถึงธรรมะที่ถูกต้องอันเป็นกุศลส่วนบรรพชิตมิได้บรรลุดังนี้ข้อนี้พวกรามรังเกยียจบรรพชิตที่โกนศรรีรษะมักให้ร้ายต่างๆถือว่าเป็นชาติต่ำเลวทรามเกิดจากเท้าของพรมสุภาพมานพ ทูลถามในเรื่องเหล่านี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสในเรื่องนี้อย่างไรตรัสตอบว่าพระองค์เป็นวิภชวาทะคือผู้กล่าวจำแนกตามเหตุผลไม่ใช่เอกังสวาทะคือผู้พูดในแง่เดียวในเรื่องนี้แล้วตรัสว่าพระองค์ไม่ตรัสสันเสริญการปฏิบัติผิดคฤหัสถ์ก็ตามบัรพชิตก็ตามถ้าปฏิบัติผิด ก็ไม่ได้บรรลุญายธรรมคือไม่ได้บรรลุธรรมะที่ถูกต้องอันเป็นกุศลเพราะเหตุมีความปฏิบัติผิดเป็นมูลพระองค์ตรัสสันเสริญการปฏิบัติชอบคฤหัตก็ตามบรรปะชิตก็ตามถ้าปฏิบัติชอบก็ได้บรรลุญายธรรมอันเป็นกุศลเพราะเหตุมีการปฏิบัติชอบเป็นมูล มานพทุนถามอีกว่าพวกรามเขากล่าวว่าการงานในการครองเรือนเป็นงานใหญ่มีการริเริ่มมากมีผลมากแต่การงานในการบวชเป็นงานน้อยมีการริเริ่มน้อยมีผลน้อยจะตรัสในข้อนี้อย่างไรตรัสตอบว่าแม้ในข้อนี้ก็ส่งกล่าวจำแนกไม่กล่าวยืนยันลงไปอย่างเดียวแล้วส่งแสดงว่า การงานที่ใหญ่แต่มีผลน้อยก็มีการงานใหญ่ที่มีผลมากก็มีทั้งสองอย่างนี้ทรงชี้ไปที่การทำนาและตรัสต่อไปว่าการงานที่น้อยมีผลน้อยก็มีมีผลมากก็มีทั้งสองอย่างนี้ทรงชี้ไปที่การค้าแล้วตรัสว่าการงานในการคลองเรือนเป็นงานใหญ่แต่มีผลน้อยก็มี มีผลมากก็มีการงานในการบวชเป็นงานน้อยมีผลน้อยก็มีมีผลมากก็มีเปรียบเหมือนการทำนาและการข้านั้นแล้วมานบได้ทูลอีกถึงข้อที่พวกกรามบัญญัติธรรมะห้าอย่างเพื่อบาเพ็ญบุญเพื่อบรรลุกุศลเพื่อสัจจะเพื่อตบะหรือความเพียรพรหมจรรย์คือไม่เสพกราม อันเชนะคือการสาธยายมนจากะการสละตรัสถามว่าพวกพราหมณ์เหล่านั้นพร้อมทั้งครูบาอาจารย์เคยมีสักคนหนึ่งหรือไม่ที่กล่าวว่าได้รู้แจ้งเห็นจริงผลแห่งธรรมะทั้งห้านั้นด้วยตนเองด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อมานพทูลตอบว่าไม่มีใครก็ตรัสเปรียบเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอด ซึ่งทําให้มานพโกรธเคืองถึงกับใช้ถ้อยคํารุนแรงอ้างพรามณีชื่อต่างๆมาคมเช่นโปกกระสติพรามเป็นต้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัส ช, ชี้ให้เห็นว่าพรามเหล่านั้นยังพูดด้วยพิจารณาบ้างไม่พิจารณาบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างเป็นต้นตามที่มานพรับรองยังมีนิวรณ์ห้า คือกิเลสอันกั้นจิตยังติดกรรมคุณห้ามีรูปเสียงเป็นต้นแล้วส่งย้อนถามถึงคุณธรรมห้ประการที่พราหมญญัตินั้นว่ามีในขรือหัดมากหรือมีในบรรพชิตมากซึ่งมานพได้ยอมรับว่ามีในบรนรพชิตมากมีในขรือหัดน้อยสำหรับข้อนี้ เพิ่มแย้งกับข้อกล่าวในตอนแรกที่ว่างานกฤหัสถ์เป็นงานใหญ่มีผลมากพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงว่าธรรมะห้าอย่างนั้นเป็นเพียงบริขารหรือเครื่องใช้ของจิตจิตจึงสำคัญกว่าทรงสอนให้เจริญจิตที่ไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียน เมื่อมานพขอให้ทรงแสดงทางที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมก็ตรัสแสดงการแผ่พรมวิหารจิตมีเมตตาเป็นต้นสุภะมานพทุนสรรเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเมื่อเดินทางกลับได้พบชานุสัสโสนิพรามและเล่าให้ฟังถึงการที่พระผู้มีพระภาคทรงยุบธรรมะห้าอย่างมาไว้ที่จิต เป็นบริคารของจิตอันไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนชานุสโสนิพรามก็ลงจากรถเทียมด้วยม้าขาวทําผ้าห่มจะเหวียงบ่าประคองอัญชลีไปยังทิศ ท, ทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เปล่งอุทานว่าเป็นลาบของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลที่มีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในแวนแควน